เ่นั้นขอมาปละขอมานี่ยขอมาอยู่ยามจาวมาพี่ยาม ย้อมนงก็มาตินงได้มาเจ็ดวันแล้วสองสวันอาทิตย์นะลวพ่อมามากเลยฮะโอ๊ยบม่มีกดนอนไม่มีกดนอนไปตังในไส เกินกี่ผมไป่จะไม่หลอดดิออรไมไฟสปอตไลท์หลอดดีออรอดอวยเกินกี่มันไฟโลซอราดเซลส์สอ่าเป็นไฟ LED ครับเป็นสปอตไลท์ด้วยใช้สอยได้ข้างนอกต้องนี่สายจะเสียพลักได้ครับอ๋อให้เสียพลักตัวตัว ให้ยื hey, ่มือเคลื่อนตัวได้รเราก็ไปใช้กับไปทางนั้น <c oughs> จับพระเจ้าตัวค่าวันนี้ไป <c oughs> อไทำกันเะเ น, น่ทำคนะบียอันนี้เขาเจ้าหาแห้งมาตะ <c oughs> าขาบใช่ไเพแล้วเพื่อนรู้จักกัน ั็รุดจักรต้อืมั่นม่เหมือนก็ก็ไปสร้างหน้าบ้านในเขาครับทัที่จอดรถในเขาแล้วทำเขาก็ทำบัญชีให้ผมเลยดีอยู่เาี๋ยวเป็นที่ท้งวัดท้งอย่างนั้นก็ได้ผมสะดวกดูคนไปแนะน้ำมากขังจักทั้งวัดทั้งว่า ดีแล้วมตนพระเจ้าประสง์ไปเยบป็บบานเย็บทอง <c oughs> เป็นที่ริดเป็นมงคลเ <c oughs> จ็บปัดที่ทางวัดของพวกเขา <c oughs> ไม่เหมือนปัดทืนเอาแหว่ปัดป่าถ่ายพ่อแม่ครูอาจารย์พารามมาส่วนมากญาโยมที่มาไม่ค่อยมาไม่เคยมาก็ เอาแต่ดอกไม้เอาแต่สียงแต่ของมาเยอะอยากให้เอาดอกไม้ธรรมชาติพระปฏิเสธใจไม่แต่สอนให้เอาดอกไม้มาบูชาโยมก็เลหลงทางสายสานติเอาทั้งเบิ่งังหลมันจะคาโมทัพัวบอกว่ามันจาคำท้างเองเขาไปหาซื้อดอกไม้ถูกเส้นอย่นีท่านมาหอดไปบุน ศึกษาคำทั้งเจ้าให้เดิน ท, งงทั้งตรงเพราอทั้งรับไปก็รับส่วนตัวอยากทาั้งรัอยู่ไหมเมื่อวานนี้หลั่งก็มาศึก ษ, ษาก็อยากให้มิจตสอนเอาพระไตปิดกมาสอนโอ้ยสอนอะไรก็ยังสอนอยู่นี่ให้ทําใจดูลมหายใจเขาออกเฉยแค่นั้นก็ยังทํายากอยู่พอจะไปสอนจบพระไตปิดกจะเรียนรู้อะไรล่ะ <c oughs> สอนก็สอนในดูที่นี่แตก่อน ไปทําอย่างอื่นพอได้มีศรัทธาแล้วจึงค่อยไปทําได้ขนาดแค่สอนแค่นี้ยังทําไม่ได้ไมันก็ยุ่ง <c oughs> <c oughs> ในทำแค่นี้วิธีของกุปตเจ้าเดี๋ยวเข้าใจว่าไม่ได้เรียนแล้วได้เรียนแล้วเข้ามาปฏิบัติต้องเรียนทุกคนผมขน <c oughs> เล็บฟันหนังอุปชาสอนพระเจ้าพระสงค์เป็นประชาอุปสมบทมาแล้วท่าน จงตั้งใจเรียนบทพระกรรมประฐานจึงได้บรรพชาอุปสมบทนะเกษาโรมานาขาดันตาตาโจอตาโจดันตานาขาโรมาเกษาให้พิจาราผมขนเล็บฟันหนังกลับไปกลับมาให้เห็นเป็นไปตามความจริงแต่คนอยู่ในโลกนี่ให้เห็นเป็นไปตามความปลอมอยู่ด้วยความปลอมอยู่ด้วยความหลอกลวงก็ว่าเป็นสวรรค์เลย หล่อเลี้งนเองแรกอีกไม่นางก็ไปหล่อเลี้ยงคนอื่นเห็นไหมละปีนป้อนลอเลีงกันยุ่งกันอยู่นั่นส mm hmm. งบปกคลมกันหาแต่ะะเรื่องยุ่ง mm hmm. นั่นแหะคนเราชอบยุ่ง mm hmm. แต่จะรู้ว่ายุ่งหรือไม่ยุ่งก็ดูบูญก่อนเที่สุขอื่นยิ่งขวาวามสงบไม่มีให้ใจสงบ ก, ก็มีความสุขเลย mm hmm. ใจของคนไม่อยู่กับความสุขไม่อยู่กับความสงบมันชอบยุ่ง คิดนู่นคิดนี่ปรุงนู่นปรุงนี่ปรุงแล้วก็ไม่ใช่ว่าปรุงเฉยๆนะคิดปรุงแล้วก็ไปทำตามความคิดความปรุงปรุงปรุงเป็นประโยชน์ปรุงไม่เป็นประโยชน์ปรุงได้หรือปรุงเสียนะคิดได้หรือคิดเสียถ้าคิดได้ก็ทำอะไรก็เป็นประโยชน์ไม่เดือดร้อนคนอื่นและตนเองถ้าเดือดร้อนคนอื่นะตนเองก็ไม่ใช่แนวทางเดินของพระพุทธเจ้า เนี่ยเราไม่เข้าดูสมาธิเลยไม่มีปัญญาตรงนี้ยังเลยแน่นหนักฝากทําบุญไปวัดทําบุญไปวัดทาบุญขนแต่ของไปให้พระยุ่งก็ว่าทําบุญทําบุญก็ไปกาหมางนั่งง า, งามดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนั่นแหะไปทําบุญบุญคือของเบานะถ้าเอาของไปก็ยุ่งสิ่งของไปก็ยุ่ง ของหนักจะว่าบุญยังไงกันถ้าเราไปเบาพระอยู่ที่วัดก็เบานะเสียชีวิตก็เบาอีกถ้าปัจจุบันยุ่งเสียชีวิตก็ยุ่งเหมือนเดิมง่ายๆอย่างนี้ยังทำไม่ได้ดูลงมข้อลงแบบเห็นหนึ่งนาทีสองนาทีเสียก่อนเวลามีจิตศรัทธาแล้วโอ้แนวทางเดิมของพระเจ้าถูกแล้วก็ไปเริ่มดูอะไร ความมดเว้นอะไรต่างๆนาน า, นาก็มีมดเพราะฉะนั้นให้แน่นหนักโดยเฉพาะพวกที่เสียสละอแนวทางของพุณเจ้าเรียกว่า <c oughs> นักบวชนักบรบคําว่านักก็แปลว่าผู้ต่อสู้นักกีฬานักเรียน <c oughs> แล้วก็นักรบนักรบกับจิเลศฆ่าไม่บาปคือฆ่ากิเลศจิเลศคืออะไร ล, ลักโลกตัวบองไกล็นะ หาวิธีฆ่าความรักหาวิธีฆ่าความโลภไม่ได้ใช่ปืนจริงนะฆ่าความรักต้องใช่สติต้องใช่ปัญญามันมองไม่เห็นเรายิงไม่ถูกแบบอกยิงไม่ถูกความรักยิงไม่ถูกความโลภต้องใช้ปัญญาคือดาบเพชรฟันนะปัญญาคือดาบเพชรฟันทิ่เลสฆ่ากิเลสถึงฆ่าไม่บาปตายหรือไม่ตายรู้อยู่แก่ใจ ใครฟันใครลูกนะตายหรือไม่ตายรู้อยู่แก่ใจมันเก็จะนั่นเร่งง่าเร่งกันยวไปคิดเรื่องอื่นนี่จะไปปรุงเรื่องอื่นปรุงแต่เรื่องจะฆ่ากิเละจับไม่ได้กิเลสัำ <c oughs> ไงจิงจะงมงเข้าไปเข้าไปเข้าไปมัเนเกิดพฤติกรรมธรรมนี่หนักเข้าไปมากๆโดยเฉพาะ <c oughs> มาอยู่ต่างไกลต่างแดน ที่รงบินมานั่งเคืองบินมากี่ชั่วโมงชั่วโมงข้ามกี่ประเทศนะให้คุ้มค่ากับที่ลำบากละบนในการเตรียมตัวเตรียมใจที่จะมามาแล้วก็ทำให้มันสุดหัวใจสินะ <c oughs> โดยเฉพาะต่างประเทศไม่ได้มีพิธีที่จะไปปรุงไปพูดกับคุยกับใครพูดกั บ, กกบแกเล็บก็พอละปุงกับกเล็คุยกับพระพุทธเจ้านั่น ในหวัวใจเยเรียกว่าทำบุญคือทำให้ใจนิ่งทำให้ใจสงบให้ดูใจให้แตงใจให้รักษาใจให้อาห า, รราอาหารเบี้ยงใจพระเจ้าหามาแทบล้มแทบตายมาปลุกใจนั่นหาที่ไหนได้รหรอกบาทไม่ได้เช่าเข้าไม่ได้ซื้อถึงเวลาก็ขนมาให้ขนมาให้อยู่อะไรอยู่ทำอะไรที่ไหนก็สะดวกไหม เป็นขนดลพรมให้หนีจากการเกิดแก่เก็บตายนะคำสอนของพูดเจ้าไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายไม่ต้องมาทุกข์มายากไม่งั้นเขาเจะามาทำทานได้ยังไงล่ะเอาอะไรมาแลกปนะฏิบัติขั้นสูงไม่ได้ก็อาศัยทานทานนะทา น, นศีลภาวนาต้องให้ครบสามอย่าง ส่วนมากก็ได้แต่ทำทานประเทศไทยเดินนี้เหลืออย่างเดียวคือการทำทานรักษะสินวันกระสินวันพระนี่ไม่ค่อยมีคน น, นั่นอ่าเพราะฉะนั้นเราเสียสละมากก่ตั้งใจปฏิบัติในมากๆป ฏ, าปฏิบัติบูชาปฏิปฏิบูชามีอานิสงส์พระพุทธเจ้าที่แต่จะรูรร้เพราะแน่นภาคปฏิบัติบูบชา เรื่องน่าบุญกนเรานน่าชมนุ่หลว่าน่าติดพื่น้องได้เสียสละมาทําทานก็ดีมาลัก้าวถินก็ดีนั่งสมาี่เจริญเมตตาภาวนาตามแนวทางของพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่เราได้ทําแบบนี้บุญกุศลของคุณต่อพระพุทธเจ้าคุณกระทำบุญกุศลได้จริงจิตจริงใจ ในสาคนลนั่นเองเพื่อมารัวนันตรงพกป้องปกปักปรกเสาคนได้ยงรุ่านแด้จี่พี่น้องกงมีแต่คนทุกข์ทเจริญทุกกายทุกใจหาจากทุกโสโปรไฟทางานจิตบาําำงานจิงใาปัฒนาจิตในมาได้เป็นจงคำเด็จจงกำเน็ดโดยเฉพในหลักทรรมกามสํากัของพระพุทธเจ้าจงพากันตั้งอกตั้งใจตามแนวทางของพระพเจ้าแลจงมีดวงจิตดวงใจแต่เห็นสินน้นทำในพวกข้านี่เถิ สีเวตาเนจางวัพรปัจาน้อยจตตา